ที่พระพุทธเจ้าได้ชงพระนามการเทริดทูนส่งเสริมจากบรรดาสัต์นั้นว่ามหาการุณีโกนาโถาสิกายัปะปานยังเป็นต้นมันมีเป็นผู้มีพระมหาการณาที่ขุนอันนี้ใหญ่แก่มวนุษย์ นี่ออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่ในพระไทัยของพระพุทธเจ้าทุกทุ ก, กระองค์บรรดาที่เคยได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกันตะโลกันตะวัตคือวัดตะวันที่เต็มไปด้วยความมืดบอด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 เต็มพระไถยเมื่อได้แหบบวไหจากสิ่งนี้ออกไปเป็นลําดับลําดับจนได้หลุดได้หลุดพ้นไปโดยสิ้เนเชิงแล้วจึงทรงเห็นโทษอย่างเต็มพระไถยและเห็นคุณค่าแห่งธรรมแดนแห่งความหลุดพ้นเต็มพระไถยเช่นเดียวกันเมื่อโทษกับคุณก็เลยเห็นเต็มพระไถยแล้ว การมองดูสัปปสัตย์ที่เหมือนนักโทษในเรือนจำยึงทำให้เกิดความเมตตาสงสารอย่างมากประทับพระไถยถึงกับจะนิ่งนอนอยู่โดยลำพังพระองค์ไม่ได้นับตั้งแต่วันจรัสจรู้ทีแรกทรงเล็งยานดูสัตวโลกทันที ที่พระจักรสุญาณแจ้งสว่างสมควรแป่การที่จะตอดส่องมองดูสัตว์โลกได้แล้วพระองค์ไม่ทรงนิ่งนอนใจเพราะความทุกนี้เป็นสิ่งที่แน่นหนาให้ทุกข์มากทรมานมานานในบรรดาศัตร์ไม่เว้นแต่ละลาย ที่อยู่ในแหล่งแห่งใจพพนี้ <c oughs> เพราะแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ควบคุมของกิเลสซึ่งเป็นมหาอำนาจทำให้สัตว์โลกมืดมิดปิดตาไปหมดโทษทั้งมวนที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาปิดขึ้นมามีความปิดบังสัตว์โลกไว้ไปพร้อมๆกันไม่เห็นโทษแห่ง ความทุกข์ทั้งหลายไม่เห็นโทษแห่งการดิ้นรนกวดแก่งที่เป็นแผลนวดไผตามนาศแห่งกิเลสทั้งหลายพูดง่ายง่ายก็คือไม่เห็นโทษทั้งเหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลส อ, อันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นบังคับบงังคาผลักไสให้ทําให้คิดให้พูดให้กระเจี๊ยบตะกาย ทั้งผลคือความทุกข์ความลำบากมากน้อยก็ไม่ให้มองเห็นโทษไม่มีไม่มีคำว่ายิเลยศได้เปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกได้เล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนนอกจาก <c oughs> ปิดบงังหุ่มห่อไว้โดยลำดับ ทุกฉากทุกแง่ทุกมุมทุกอกกัปตียาแห่งความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่จิตออกมาถึงกายวาจาใจเป็นจำพันมีแต่ทางปิดปกปิดกำบังไว้ตลอดความปกปิดกำบังนั้นก็เต็มไปด้วยเพลงกล่อมให้สัตว์โลกได้หลงเคลิมไปตามกุม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 มันตีตะปูให้ติดแนบไว้อย่างลึกลับเท่านั้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถผุกโผขึ้นมาจากความมืดดำทั้งหลายแล้วได้มองดูความมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระทัยที่บริสุทธ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 พระเมตตากรุณาอย่างแท้จริงทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวจริงเป็นไปด้วยพระเมตตาอันเป็นศาสดาที่จะยึดถือเป็นคติได้าจากพระองค์ทั้งสิน้นคำว่าศาสดาสั่งสอนโลกนั้นเป็นได้ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวไม่เพียงแต่ประธานพระว่าสั่งสอนสตัดโลกแล้วเรียกว่าศาสดา พูดแนะนาแต่ท่าการทุกส่วนที่ทรงเคลื่อนไหวการอยู่การไปกันมาการหลับนอนคับถ่ายจะไม่นอกเหนือไปจากความเป็นศาสดานั้นเลยเป็นศาสดาเต็มภูมิทุกพระอากาศริยาของโลกที่เคยนำมาใช้แต่ก่อนทรงสลัดปัดทิ้งหมดจิงเรียกว่า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 นับตั้งแต่ทรงปราถนาพระโพธยญาณมาโดยลำดับจนวาระสุดท้ายได้เสด็จออกทรงผนวดบำเพ็ญพรเพื่อรือถอนกิเลสปัญหาความมืดบอดอยู่ภายในพระไทยให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วนำความสว่างกระจ่างแจ้งคือธรรมนี้ให้สั่งสอนสรรโลกจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกับฟ้าดินทลง พระไทยจะหลุดลอยออกจากพระกายเพราะความหวั่นไหวความจับถือนไปหมดกิรยาที่ทรงบำเพ็ญก็ไม่มีอาการใดที่จะทำด้วยความท้อถอยยอ่ยอหย่อนทำเต็มพระสติกำลังความสามารถทุกพระอาการทุกประโยชน์พยายาม แม้ประโยคที่ไม่สำเร็จผลอันใดเช่นการทรมานพระองค์โดยวิธีการต่างๆนั่นก็เป็นไปด้วยความภาคเพียงอย่างแท้จริงควรจะนำมาเป็นคติได้สำหรับเราผู้จะยึดว่าพุทธทางสัง น, นิษฐ า, านถือเพราะพระองค์เป็นาศาสดาเป็นเสนะเป็นที่ยึดของใจทั้งเป็นปฏิปทาเครื่องํำเน่อ ย, ยังไม่มีอะไรบุกร่อง ศาสดาเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษเห็นได้จริงๆละสิ่งที่เป็นภยัยภายในพระไถ่ละไ้าจริงๆตัดวัตจักรวัตจิตสิ่งที่พาให้หมุนเวียนเกิดแก่เกิบตายอยู่ในโลกสงสารพระองค์ทรงถอดถอนและสงละตัดขาดได้จริงๆเป็นศาสดาได้อย่างเต็มพูมิ การสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่มีขแขนงใดที่จะให้เกิดข้อข้องใจสงสัยสำหรับพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงต่อสัตว์โลกเราทั้งหลายเป็นเพียงล้างมือเปิ่จากพระวา่าที่ทรงสั่งสอนแล้วเท่านั้นจึงควรเห็นพระไทยพระพุทธเจ้าที่หน้าสงสารยิ่งนักในการตะเกียกตะกายทุกทุกประโยคพยายาม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 ความรู้สึกของนักบวชเรากับความรู้สึกของชาวพุทธทั่วๆไปและโลกทั่วๆไปนั้นถ้าพูดตามหลักทำหรือหลักความจริงแล้วต่างกันอยู่มากต้องต่างกันอย่างมากมายเพราะผู้นี้บวชมาเพื่อเห็นไผ เพื่อจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจไฟที่ฝังกิมฝังจมอยู่ภายในใจนี้ไม่เหมือนไฟทั้งหลายภายนอกแต่เป็นไฟที่สมอยู่ภายในจิตใจตลอดเลยถ้าไม่มีวิธีการหรือไม่มีอุบายไม่มีแนวทางเป็นเครื่องดับไฟนี้จะไม่ดับได้ตลอดกลับกันและไม่มีเบื้องต้นเบื้องตลาย เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆ ต, ตามหลักธรรมที่ท่านได้ผลมาแล้วและที่แจงไว้แล้วโดยถูกต้องนำมาประพฤติปฏิบัติการมาปฏิบัติตนเองในความเป็นนักบวชเช่นนี้จึงเป็นเหมือนกับเข้าสู่สงครามแบบตะลุมบอล จะมานอนใจเอานิสัยของกิเลสจากคารวาสมาใช้ไม่เป็นผลนอกจากจะเป็นการมาเพิ่มกิเลสให้หนาแน่นขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของนักครบแห่งนักบวชของเราจึงต้องใช้ความพยายาม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 ไม่ว่าวัตถุไม่ว่าอารมณ์มันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสทั้งหมวไม่ใช่เป็นโอชารสที่ควรจะติดจะพันจะเคริ่มหลงไหลไปตามนอกจากรสแห่งธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่แน่ใจต่อผู้บำเพ็ญทั้งหลายแต่รับความสงบเย็นใจไปโดยลำดับ ตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตต์ดุดพ้นไปโดยสิน้นเชิงมีตั้งแต่ธรรมที่ไว้ใจได้ทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่ไว้ใจตายใจได้โดยลำดับลําดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกลมายาของกิเลสที่มันหลอกลวงสัตว์โลกการปฏิบัติตน ต้องใช้สติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยานอนใจวิเลยเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าความรู้ธรรมราดาเราจะทันหมันจะรู้เข้าคนของหมันจึงต้องฝึกสติฝึกปัญญาผี่พอจะตามทันได้และตามทัน ทั้งพร้อมทั้งการแก้ไขถอดถอนได้เป็นกำลังจากความเพียนพยายามของเราซึ่งอยู่ในแนวรบหรืออยู่ในวงลอง้อมอยาได้นอนใจไม่มีสิ่งใดเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วในโลกนี้หากเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจได้แล้วพระพุทธ เ, ทเจ้าศาสด า, า, า, าองค์เอกก็ไม่สั่งสอนให้ละให้ปล่อยให้วางให้หลุดพ้นไปจากอันนี้เสีย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 ฝังจมอยู่ภายในนี้และนอนจมอยู่ในวัดตะวันี้ไม่มีเวลาเละรอดออกไปได้นอกจากการปฏิบัติธรรมและคาว่าความมืดบอดนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าเป็นดินฟ้าอากาศพระทิศพระจันทร์พาให้มืดบอดหรือพาให้สว่างจะพึงทราบว่าความมืดบอด ทั้งมวล น, นี้คือกิเลสเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตใจไว้อย่างแนบสนิทติดต่อมจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นจิตมันคุกเข้ากันเป็นอันเดียวกันในเวลาที่มันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรแยกได้ <c oughs> คําว่าความสว่างก็คือสติปัญญาที่เรียกว่าธรรม ที่จะสามารถรู้เท่าทันและสอดส่องมองเห็นทั้งโทดและคุณภายในดวงใจที่เคยมืดบอดมานี้ให้กลายเป็นใจที่สว่างสไหวยขึ้นมาการเรียนว่าตาเกิดในวัฏฏสงสารนี้พอตัวทุกรายพอตัวทุกคนไม่มีใครยิ่งย่อนกว่าใครพอที่จะามาแข่งขันกันได้ว่าเป็นของดีของวิเศษเลือดโลกอันใด ความเกิดความตายเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่ของดีพอที่อยากเกิดก่อนที่จะหลุดหรือแล็ดลอดออกมาจากช่องแทบคือท้องของแม่ก็สลบสลายไปแล้วออกมาแล้วแทนที่จะรับความสะดวกสบายก็ทนทุกข์ทรมานหนักถาดเบิดขันความเย็นด้อนอ่อนแข็งความหิวความหายโรคภยัยไข้เจ็บต่าง ย่ำดีบีทาไปตลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไอ้ไม่รอดจริงๆก็ตายล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์ที่วางสายยาวเหยียดกันไปตั้งแต่เริ่มคลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือหมดลมหายใจที่เรียกว่าตายมีตรงไหนที่เด่นชัดว่าได้รับความปลุกความสบายนอกจากเด่นชัดเรื่งความทุกข์มากน้อยไปโดยลำดับกำดาเป็นสายยาวเหยียดถึงวาระสุดท้ายเท่านั้น พอที่จะปิดจัณฑพันพอที่จะเครือบเคลื่อนลงไหลไปกับเรื่องความเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี้ที่กล่าวมานี้เป็นผลของกิเลสที่เป็นตัวแนบแน่นละเอียดแล้มคมที่สุดฝังอยู่ภายในจิตให้เป็นเชือ้อ พาให้เกิดการแก้จึงแก้ลงที่นั่นไม่แก้ที่อื่นผู้ยังไม่เคยสงบ ก, ก็พยายามทําใจของตนให้สงบด้วยบทธรรมใดก็าตามที่เห็นว่าถูกกชะดิกห็นบริกรรมพุทโธธรรมอสังโฆหรืออัติทันตาอะไรก็แล้วแต่ผมผลเล็ฟันหนังเหล่านี้เป็นคำบริกรรมได้ทั้งนั้น แล้มีลมหายใจเป็นสำคัญข น, นาดกําหนดให้รู้จําเพาะวงปัจจุบันเช่นการกําหนดบริกรรมคําใดก็ตามให้รู้อยู่กับคําบริกรรมนั่นเท่านั้นไม่ต้องไปวาดภาพขอประสาทวิมานที่ไหนนอกจากเหตุที่ทําถูกต้องอยู่ในขณะนั้นเท่านั้ น, านการกาหนดลมก็ให้รู้อยู่ที่ลม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 ลมผูกกำหนดลมลมก็จะละเอียดลงไปลมที่ละเอียดนั้นก็เนื่องจากใจละเอียดใจค่อยสงบตัวเข้ามาจนละเอียดสุดถึงเวละสุดท้ายลมได้หายไปเลยต่อหน้าต่อตาทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่าลมหยาบลมละเอียดละเอียดสุดแล้วหายเงียบไปเลยก็มีแต่อย่างไรก็ตามแม้ลมหายเงียบไป ก็อย่าวิตกวิจารนี่สําหรับการภาวนากลัวตาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวความรู้ที่รู้วันลมหายไปนั้นไม่ได้หายไปไหนความรู้นั้น แ, แลเป็นผู้ครองร่างอยู่นี้จะไม่ตายเราไม่ได้ภาวนาเอาลมเป็นแต่เพียงว่ายึดลมเป็นหลักในขณะที่จิตยังเป็นตัวของตัวยึดตัวเองเป็นหลักของตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยลม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 นี่คือการเริ่มแรกแห่งการภาว น, นาย่าได้วิตกวิจารณกับลมว่าหายไปแล้วตนจะตายไม่ตายวิธีการของการภาว น, นาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการของการฆ่าตนเป็นวิธีการของเผาการภาว น, นาเบื้องต้นจะมีความอึดอัดบ้างสําหรับผู้เจริญอ น, อนาปานสติอึดอัดก็ให้รู้ว่าอึดอัดอย่าปล่อยลม จะอึดอัดไปไหนก็ให้รู้ใจจะขาดในขณะภาวนาก็ให้รู้เพราะเรามาได้ภาวนาเพื่อฆ่าตัวเองนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นคุมายาของกิเลสหลอกลวงให้ถอยหน้าถอยหลังเกิดความสงสัยแล้วปล่อยวางการภาวนาหยุดไปเสียนั่นคือกิเลสทํางานได้ผลแล้วเวลาจะทําก็กลัวแต่จะล้มจะตายทั้งๆ ท, ท, ที่ความล้มความตายมันไม่ได้มีในการภาวนากิเลสมันก็หลอกเข้ามาจนได้ นี่ก็คนมายาของกิเลสประเภทนึงให้พึงทราบเอาไว้ด้วยกันในหลักของสมาธิของสมถาะาสอนให้ทราบผู้ที่บวชใหม่ก็มีมาประพฤติปฏิบัติใหม่ก็มีใหม่กับเก่าก็อันเดียวกันนี่แหละอย่าเข้าใจว่าตนใหม่ตนเก่ามันจะเป็นเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมาถ้าเก่าก็ให้ชำนิชำนานเลยในเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ชำนิชำนาน มันก็กไก่กอกายอยู่นั่นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพียงทาบริกรรมไม่ได้เรื่องได้ลาวจะเอาผลประโยชน์มาจากที่ไหนฝึกให้ดีทาให้จริงให้จังผููกรรําหนดหรือบริกรรมทําบทใดก็ให้อยู่กับทําบทนั้นให้รู้อยู่จำเพาะยาคาดผลที่จะเกิดขึ้นแสดงอาการอย่างไรบ้างยาไปคาด จะเสียจากหลักปัจจุบันแล้วผลจะไม่เกิดขึ้นให้ได้ชมนีม่หลักของการภาวนาสำคัญอยู่ที่หลักปัจจุบันการม า, มาขาดหมายหมายสิ่งใดนอกไปจากเหตุที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นความถูกต้องดีงามสำหรับผู้ปฏิบัติจะต้องปรากฏผลเป็นที่แน่ใจวันใดวาระหนึ่งจนได้ไม่สงสัย การปฏิบัติใดงานใดก็ตามไม่ได้ยากเหมือนการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสเป็นผู้แย่งผู้ชี้ผู้ขี่พิ๊ผู้ผู้ขีดผู้ขวางผู้คอยทําลายผลงานของตัวเองและา ง, งานของตัวเองงานนี้จึงเป็นเหมือนกับว่ายากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสหลอกว่ายากและกิเลสต่อสู้กิเลสขัดขวางและเราก็ไปทิ้งให้ทําเสียว่าการบําเพ็ญธรรมนั้นยาก ความกินกิเลสมันหลอกทาให้ยากกิเลสพาให้ยากต่างหากทาไม่ได้พาให้ยากให้พากันเข้าใจจุดนี้ไว้ให้ดีนะักปฏิบัติความทอ้อแท้อ่อนแอเลีวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมูลอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของธรรมเวลานี้เราสะแสวงหาธรรมต้องมีจินมีจังมีสติสตังมีความภาคความเพียรมีความอุตสาห์พยายามนี่คือเรื่องของธรรม เรื่องใดก็ตามอาการใดก็ตามที่จะมาทำลายมากีีดมาขวางความภาคความเพียรความอุตสาหพยายามความเข้มแข็งความอดทนให้ด้อยและขาดไปนี้ร้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเล็คือตัวมารทั้งนั้นมาคอยทำลายมาคอยกีดขวางทางดำเนินของเราหรือคอยกีดขวางทมของเราให้ด้อยและขาดไปนี่เนี่เรื่องความละเอียดของเด็กทานจำเอาไว้เอาให เหนือกิเลสไปโดยลําดับแล้วจะทราบกลมมายาของมันทุกแง่ทุกมุมทั้งหยากทั้งกลางทั้งละเอียดและละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากธรรมนี้ได้เพราะกิเลสไม่เนื้อธรรมเมื่อได้นำธรรมมาใช้นํามาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสแล้วจะไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในใจและอาจารต่อสู้กับกับธรรมได้เลยพระพุทธเจ้าชนะกิเลสก็เพราะธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสาคัญ ที่แพ้ก็เพราะไม่มีธรรมเหล่านี้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทําลายถ่ายเดียวมรรคผลนิพพานจะมีเต็มหัวใจอยู่ก็เข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันกีดมันขวางมันกดขี่บังคับปิดประตูไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกด้านทุกาทางทําไม่ได้เดินจงกรมก็มันกระลากกิดลากสติไปหนีไปที่อื่นจะลา ก, กิดเข้าป่าเข้าโรคไปหมด ไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรถเครื่องหลอกลวงหลอกลวงของมันมีเยอะทางรูปก็เต็มโลกกระถาเสียงก็เต็มโลกกระถากลิ่นรถเครื่องสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อของกิเลส ท, ที่มันตักเสียบไปทั้งนั้นเป็นเหยื่อรอบปลาไว้หมดแต่เราไม่ทราบเพราะอุบายของมันแล้มขมมากอุบายของเราไม่ทันกระดิกออกไปตรงไห น, นมีแต่กิเลสลุมล้อมเอาหมด ไม่มีทําเป็นเครื่องรักษาตัวบ้างเลยจึงหาความสงบไม่ได้หาความเยบคายไม่ได้หาความชเดี๋ยวฉนะดที่จะแก้กิเลสไม่ได้มีแต่กิเลสถูกเอามัดเอามัดอับแม้เดินจงกรมอยู่ก็ถูกมันมัดแค่มัดขามัดหูมัดตาไว้หมดนั่งสมาธิก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ปีนี้พิจารณาทำของจริงซึ่งมีอยู่กับใจนั่นแหละหมายว่าความเพียรอาการใด มีแตะกิเลสเข้าทำงานแทนเสียสิ้นแล้วก็มาทวงผลว่าทำไมไม่เห็นเกิดผลอะไรจะเกิดผลอะไรเหตุก็กิเลสเอาไปกินหมดแล้วร่วนผ้าสมผ้าสายผ้าแสบไปหมดหาอารมณ์ต่างๆตาไม่เห็นมันก็เป็นธรรมารมณ์ในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วเอามาพุ่มมาคิดมาอุ่นดยู น, นั่นไม่เคยมีว่าอันใดเป็นของเก่าล้าสมัยไปแล้ว เคยคิดมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวกี่ร้อยกี่พันครั้งที่เลตไม่ถือว่าเป็นของเด่นเลยเป็นของใหม่เอี่ยมทั้งนั้นให้ติดอยู่ตลอดเวลาเหนี่ยเครื่องหลอกลวงของมันลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้นจิตเราจรึงไม่ทราบจึงต้องติดสิ่งของเก่าที่เคยคิดมาแล้วอติตอารมณ์คืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผ่านมาแล้ว ก็ไม่เห็นว่าเป็นของเก่าเป็นเป็นเดนไปไม่ต้องคิดซ้ําๆเพราะสิ่งนี้เคยคิดแล้วสิ่งนี้เคยให้ทุกข์เรามาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ทาให้ติดพันไปหมดเป็นของใหม่เอี่ยมตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสต้องใหม่เอี่ยมเพราะมันลื่นไปเลยถ้าเป็นธรรมแล้วมันขุกขักคุกขักก้าวไม่ออกเพราะกิเลสดันเอาไว้กันเอาไว้ กีดขวางเอาไว้ไม่ให้เป็นความสะดวกถ้าเป็นถนนก็มันตัดไม้มากั้นทางไว้หมดเป็นไปด้วยก้อนหินท่อนไม้รถก็วิ่งไม่ได้ติดนี่แหละเวลาเราจะดำเนินเพื่อความราบรื่นจึงต้องถูกพิเลฒมันกีดมันขวางไว้ให้ผึงทราบว่าพิเรฒมันเป็นอย่างนั้นตลอดจึงต้องได้ใช้ความพยายามเต็มที่ สิ่งที่พยายามต่อสู้ก็คือต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มันมากีดขวางนั่นแหละไม่ใช่ทำมากีดขวางกิเลสต่างหากมากีดขวางกิเลสต่างหากทําให้ทอแท้อ่อนแอกิเลสต่างหากทําให้ขี้เกียจขี้คร้านกิเลสต่างหากทําให้ทอดต่อ่อนแอและหยุดการงานที่จะเป็นประโยชน์นั้นไปเสียเพราะ อ, อํานาจของกิเลสมันเหนืออํานาจของธรรมนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้น ต่อไปเมื่อเราได้ทำความพยายามอยู่เสมอกิเลสมันก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปได้สติไม่มีตั้งขึ้นให้มีปัญญามันมีพยายามค้นคิดให้มีทำสอนไว้แล้วทุกอย่างสัจธรรมมีอยู่สมบูรณ์ภายในใจของเรานำสิ่งใดมาใช้ได้ทังนั้นพยายามถ้าลงเห็นว่ากิเลสเป็นภัยแล้วไอ้เรื่องความเพียรมันจะจะมาเอง สติปัญญาก็จะมามาพร้อมๆกันไอ้ที่มาเห็นกิเลสเป็นภัยเพราะกิเลสมันกล่อมนั่นสิสําคัญเดินจงกรมก็บังคับกันไปแฉบลม้มแฉดตายบังคับไปแล้วก็ให้กิเลสมันถลุงเอาหมดไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวเลยเป็นอาหารกิเลสทั้งหมดนเอียบุตรทั้งสี่แห่งการประกอบความเาเพ่าเพีพเ้ยนคือยืนเดินนั่งนอนทำภาวนากลห้เป็นเรื่องพาวนไปหมด เป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแล้วทำจะแทรกขึ้นได้ที่ไหนนี่เรื่องของกิเลสมันละเอียดขนาดนี้อา้าวถ้าเราบบจะทรกกิเลสฟาดฟันกันลงไป ท, อทอ้อถอยอ่อนแอได้อย่างไงการ ท, อทอ้อถอยอ่อนแอไม่ไม่ใช่ทางของธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช่เห็นธรรมไม่ใช่อุบายใช่เห็นธรรมไม่ใช่การดําเนินเพื่อความเป็นธรรมนัม้นดําเนินหรือเดินไปตามกิเลสจูงจงมูกต่างหาก ต้องขุดค้นขึ้นมาต่อสู้กันฮะจิตไม่เคยสงบ ก, ก็จะสงบได้ปัญญาพพยายามค้นคิดอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมกูกนิ้นกายนำมาคิดพิจารณาไตรตรองแยกหน้าแยกหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาทบทวนให้ระสับโดยส่วนตามเหตุตามผลสิ่งใดที่เคยสงสัยก็จะค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปด้วยอำนาจของปัญญา มีการพิจารณาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งถือสกุากายเป็นสนามรบเป็นสถานที่คลี่คลายเพราะมันติดอันนี้มากกว่าเพื่อนส่วนอยู่ในใจนั้นยกไว้ก่อนอันนี้มันปิดอยู่ชั้นหนึ่งพยายามคลี่คลายมาันออกไปรูป ก, กายนี้มีอะไรดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปตามความจริงนั่นแหละความจริงล้วนๆก็ ก็คือสิ่งปฏิพูลโสโครกมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้นี่ ค, ค, คือความจริงความว่าสวยว่า ง, งามว่าน่ารักให้ชอบใจนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงมันเอามาฉากมาทาไว้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จริงเป็นของปลอมแนี่เข้าไปถึงเรื่องความแปรสภาพมันแปรอ ย, อยู่ตลอดเวลาที่ดูตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงป่านนี้เป็นยังไงตัวของเราแตกต่างแต่เป็นเด็กไหมเนี่ยแปรสภาพมาเรื่อยๆอย่าง หมดทั้งล่างนี้แปลสภาพทั้งนั้นแม้แต่กิตใจก็ยังแปลสภาพแต่ว่าอะไรตัง้งแต่จะร่างกายหลับถ่านนี้อย่พิจารณาเข้าไปพยายามดูให้เห็นตามความกินฟื้นกิเลสเข้าไปตรงไหนมันว่างามเอาแยกตรงนั้นออกมาดูให้เห็นประจักษ์ตาเนี่ยมันงามที่ตรงไหนกิเลสทําไมมันถึงหลอกถึงดวงว่าสวยว่า ง, งามนั่งหนาอะไรมันหนา ดูให้ดีด้วยปัญญาของตนเองขี้คลายดูหนังก็เห็นชัดๆอยู่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนที่เงาขี้คลายก็เป็นขี้ทั้งนั้นเต็มอยู่ภายนอกแล้วยิ่งเข้าไปภายในแล้วมันดูไม่ได้เลยเยื่อไปด้วยบุพ โ, โลหิตน้ำเน่าน้ำหนองแล้วยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดูไม่ได้คนตั้งคนถ้าไม่มีหนังมุมห่อวันนี้ดูดูกันได้เมื่อไหร่จะมาดูได้ตั้งแต่พวกแมลงวันตอมหึงหึงเท่านั้น แมลงวันมันชอบนีจิตของเรามันเป็นมแมลงวันมันเที่ยวหาตอมสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกสกรกระโปรงรบกุมหลังนั้นแหละ ว, ว่าเป็นของสวยของงามมันก็ไม่ผิดอะไรกับมแมลงวันจิตของปุตติชนเรามันชอบตอมสกกระของศกกระโปรงโสมอของสะอสาดไม่ตอมคือธรรมเป็นของสาดไม่มีคําว่าสกรกระปรขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วแต่เรื่องของกิเลสนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เสกสรรขึ้นมา ปิดตาบุบรุษตาฟังเอาไว้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวหวานเอาปัญญาย่างลงไปให้เห็นชัดเจน ด, ดูเข้าไปจนกระทั่งถึงกระดูกทุกท่อนอวัยวะทุกส่วนตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มอยู่นี้มีอะไรเป็นที่พึงปรารถนาทั้งเขาทั้งเราเป็นเหมือนกันทั่วโลกดินแดบกบสงสัยที่ตรงไหนยึดที่ตรงไหนว่าเป็นของสวยของงาม น, นอกจากนั้นพิจารณาให้มันตายมันเนา่า แค่ไปหมดข้างล่างนี่พองขึ้นไปแตกระเบิดออกไปถึงไหนอยู่ได้เมื่อไหร่คนมีจ้หมูกอยู่ไม่ได้ออืแตกคือคือไปเลยนั่นหรือของเสือของงามคนแตกคือคือนั่นเหรอเียน้าเห็นชัดเลยมันไปเสริฐไปที่ไหนกิเลสมันสวยที่ตรงไหนคนแตกคือคือนั่นอะ่ะแม้แต่ไม่ตายนี่เพียงลมมันผ่านออกมาเท่านั้นมันก็จะแตกกันแล้วเนี่ยมางไงยุ่งไปหมดเลย ยัง ม, มาเชื่อที่เรลือยู่หรือว่ามันสวยมันงานะครับเอาล้นจนถึงเวลาตายมันเน่ามันพองแต่ก็จัดกระจายลงไปรแรงกาหมากินถ้าไม่มีคนรักษาเมล็งวันนี้เต็มโลกธาตุมานี่หมดต้องหึงหึงหึงดูได้ไหมนั่นหรือของสวยของงาม จากนั้นก็สลายลงไปสลายลงไปจนกลายไปเป็นธาตุดินดินตามเดิมส่วนน้ําก็ไปเป็นน้ําตามเดิมส่วนธาตุไฟก็ไปเป็นไฟตามเดิมธาตุลมเป็นลมตามเดิมไหนสัตว์บุคคลสวยงามอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟนั่นเหลือดินก็เป็นดินสวยงามที่ไหนน้าเป็นน้ําสวยงามที่ไหนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนลมเป็นลมไฟเป็นไฟเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามที่ไหนดูให้ถึง ชาภาพความกลิ่นของมันด้วยหลับทำคือปัญญาเป็นต้นสิ้าอยากจะเห็นของกลิ่นนี่ละกิจมันมาพัวมาพันมาติดมาคล้องอยู่กับกิ่นเหล่านี้เพราะกิเลสมันแทรกกิเลสมันหลอกให้จิตไปหลงแล้วก็ยึดะยึดมั่นถือมั่นตีตะปูไว้ยังไม่ไดีเหนียวแน่นยิ่ยงกว่า อ, อุปทานความที่มั่นถือมั่นในทางในขันคือท่าสี่ดินล้ามลมไฟนี่แม้ว่าเป็นตัวเป็นของตัว ให้กิเลสมันหลอกมากี่กับกี่คันแล้วยังไม่เบื่อยังไม่อิ่มไม่พอเลี้ยวก็กินข้าวยังรู้จากวันอิ่มพอทําไมเรากับอารมณ์ที่กิเลสหลอกลวงนี้จึงไม่เห็นมีวันเพียงพอกันสักทีมีแต่ไมเอิ่มเรื่อยกินเท่าไรไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นนอนมากก็คือความรุ่มความหลงของงานนั่นเองไม่รู้วันไหนจะตื่นมันไม่ตื่นถ้าไม่เอาสติปัญญาปลุกเข้าไปกินหลากินหลามหาอยากกัน่ะตามโบราณ กินเท่าไรมันยิ่งหิวยิ่งหงยดหงิดไปตามอารมณ์ของกิเลสเทาไราัยิ่งหิวยิ่งหงยไม่มีคําว่าอิ่มพอความอิ่มพอมีอยู่เพียงทางด้านธรรมะเท่านั้นกิเลสไม่เคยทําความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความหกรธไม่ว่าราคาตันหาประเภทใดก็ตามถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจะไม่ให้มีความอิ่มพอแก่สัตว์เลย จะกินจะดื่มจะอะไรก็ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวยิ่งหวยิย่งกังวนกัวงวลจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีความอิ่มพออืมเรายังจะหลงเพลินอยู่กับควา ม, มหวิวโหยซึ่งเป็นกองทุกนี่อยู่เหรอเราหาความอิ่มพอความอิ่มพออยู่กับธรรมแยกแยกให้ได้ในส่วนนี้เนี่ยถือเป็นสนามรบเอาร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นเป้าหมายแห่งการพิแกนนะให้เห็นทั้งอสุภะอสุพังข้ามประจักษ์ใจ ปูตัวเรื่องความแตกความสลายนำไปก็ให้มันเห็นชัดภายในปัญญาของเราและจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นแต่ไหนเมื่อดูเห็นตามเป็นจริงแล้วต้องถอยตัวเข้ามาเท่านั้นจิตนี้พร้อมที่จะปล่อยวางอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้จะปล่อยวางได้ยังไงถูกกิเลสปัญหาเว่ามันบีบบังคับให้ยึดให้ถือไปตามความลุ่งหลมอันเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งมันสลับซับซ้อนมากเรื่องของกิเลสนี้พิจารณาให้เห็นชัดเจนลงไป นี่คือการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเรื่องกิเลสตัณหาอันมันเสียดแทงอยู่ภณณายในจิตใจหรือทิ่มแทงจิตใจเราตั้งเรื่อยมาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นต้นเหตุรูปนอกรูปในมันเหมือนกันเสียงนอกเสียงในเหมือนกันเป็นลมไปงั้นตื่นมันอะไรตื่นลมเสียงหญิงเสียงชายมีแต่เสียงลมเท่านั้นออกจากปากเสียงลมตื่นไปอะไรตื่นลมนี่คือการพิจารณา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 แต่ถ้าเป็นธรรมแล้วมีความอิ่มนี่เราพิจารณาส่วนร่างกายให้เห็นตามที่กล่าวมาแล้วนี้จิตต้องอิ่มอิ่มตัวความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาการพิจารณาอย่างที่เคยพิจารณามานั้นก็หยุดพิจารณาประอะไรน่รู้หมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วพิจารณาหาอะไรนี่ไรู้เองเหมือนกับเรารับทานอาหารจะมีรสอร่อยอรอขนาดไหนก็ตามเถอะ ถ้าลงาธาตุขันได้เพียงพอกับความต้องกันแล้วเป็นไม่ดื่มอีกไม่รับอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเราพิจารณาพอแล้วก็ปล่อยวางอิ่มตัวเป็นขั้นเป็นขั้นไปนีอาการของกิจชิดตปในเรื่องใดเมื่อได้ปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นเรื่องธาตุเรื่องขันของตนจนกระทั่งถึงกับปล่อยวางกันได้ผ่านมันไปได้แล้ว สิงได้ที่จะนอกเหนือปัญญาไปมีหรือไม่มีพิจารณาจนกระทั่งถึงรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยลําดับลำ ด, ดัเพราะสติปัญญานี้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะพิจารณาอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอันที่ควรแก่การพิจารณาแล้วก็รู้ไปโดยลําดับลำดับแม้ที่สุดมันก็มาเห็นเรื่องแต่เรื่องอาการของจิตเท่านั้นเป็นตัวหลอกลวงถูกตัดออก ด้วยปัญญาแล้วจะไปติดอะไรก็รู้เสียรูปเสียงกินนสดอะไรก็รู้เสียประมวลเข้ามาสู่สภาพเดียวกันกับตนนี้ได้เทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วก็จะไปติดที่ไหนไม่ติดนี่เพียงเท่านี้จิตก็สบายแล้วเมื่อจิตสบายแล้วเป็นยังไงคุณค่า ย, ยัางทำได้ปรากฏขึ้นแล้วความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายเริ่มเห็นขึ้นมาโดยลําดับลาดาลแล้ว ความเพียรไม่ต้องบอกเนี่ค่อยหมุนตัวไปโดยลําดับตำาับนี่ ค, คือความเห็นคุณค่าของธรรมผลก็ประจักษ์อยู่ภาในาใจว่าเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความเบาบางภายในจิตใจที่เหล็กดุลรอไปมากน้อยเท่าไรจงยิตจงดีดตัวขึ้นมาละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาดีดตัวขึ้นมาสุขก็เบาอเบาไปดเดิมดับละเอียดเข้าไปโดยลําดับยิ่งเห็นโทษของจิเล่นั่นเห็นจิเล่เห็นอย่างนั้น แยกแยกจนเห็นเรื่องของมันถ้าไม่เห็นแล้วยังไงก็ไปไม่รอดแล้วไปไม่พ้นจมอยู่กับมันตลอดไปนี่แหละทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ทุกอยู่ที่ตรงไหนทุกก็อยู่ที่ใจตัวกิเลสตักเสียบเอาไว้อย่างแน่นหนามั่นคงหรือปิดบางหุ้มห่อเอาไว้จนมองหาอะไรไม่เจอขึ้นชั้นความจริงจะเห็นแต่ของปลอมๆทั้งนั้นว่าเข้าใจว่าเป็นของจริงจึง ติดมั่นพวพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สร้างแต่ความทุกข์ความทรมานให้แก่ตนจนหาทางออกไม่ได้เมื่อสติปัญญาด้วยพ่คายออดูโดยลำดับลำดาแล้วย่อมสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายค่อยหลุดลอยออกไปหลุดลอยออกไปจิตก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาพร้อมทั้งความเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆและเห็นคุณค่าแห่งธรรมไปโดยลดําดในขณะเดียวกันในความเพียรก้าวที่นี่ แล้วความเพียรก้าวแล้วความเพียรกล้าสละตายไปได้เลยแต่เราคงยังจะติดค้างกับกิเลสตัวใ ด, ดยกิเลสยังจะมาบีบบังคับเราอยู่ได้ตัวใดเป็นอันว่าไม่ถอยเอาให้ตายกับกันเลยด้วยกันเล ย, เยกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นคำว่าแพ้กิเลสนี้จะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้หนักเข้าหนักเข้า ทำมาแพ้กินไม่มีนั่นแหละที่นี่ความเพียรคุณค่าของธรรมเด่นขึ้นอด้วพานา จ, จิตใจและเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนคุณค่าของกิเลสมีตรงไหนมีอะไรบ้างนี่เห็นแต่คุณค่าของธรรมเด่นเด่นในหัวใจที่ในรถของธรรมกับรถของกิเลสที่เคยได้สัมผัสสัมพันสกันมาทั้งสองอย่างนี้รถอะไรเป็นยังไงดีเลือดต่างกันอย่างไรบ้างก็เด่นชัดในทางรถของธรรมรถของกิเลสจู้ไม่ได้ เมื่อรถอันนี้ชนะรถกิเลสประเภทใดแล้วรถกิเลสนั้นย่อมห ล, ลอหลุดลอยไปหลุดลอยไปรถของธรรมก็แสงหน้าขึ้นด้วยเรื่อยเรือนี่แหละข้ามเห็นโทษก็เห็นกุล <c oughs> เห็นไปพร้ อ, รอมๆกันอย่างนี้ <c oughs> ในวงปฏิบัติของท่านผู้รู้ <c oughs> ผู้เห็นท่านรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จ <c oughs> นกระทั่งกิเลสหลุดลอยประจากใจ <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือเลย นั่นแหละที่นี่รถอมาตะธรรมการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เสียเว ล, เวลามันพร้อมอยู่ที่จิต ด, ดวงบริสุทธิ์นั้น แ, <c oughs> แม้แต่ยังไม่บริสุทธิ์จิตมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ใดที่เป็นส่วนละเอียดกับที่เหลวประเภทใดที่เป็นส่วนละเอียดมันก็รู้ว่าพยายามตัดพยายามฟั่นพยายามแก้พยายามถอดถอน ด้วยสติปัญญาไม่ลดละความภาคเพียงจนกระทั่งแก้ได้ไปโดยลําดับลําดาแก้ขาดจากนั้นแล้วขาดตรงนี้แล้วรู้อยู่ภายในจิตนี่ <c oughs> จนกระทั่งขาดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินะฮะกิเลสที่เคยพัวพันมาพาให้เกิดให้ตายรู้ได้ชัดนี่หมดแล้วที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายหมดเท่านั้นหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว <c oughs> นั่นเพราะไม่มีเงื่อนต่อ เห็นกระักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินธาตุาาขันที่อยู่ด้วยกันนี่กระสักแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่ขาดวักขาดตอนกันแล้วในความสืบต่อระหว่างจิตกับขันเหล่านี้ระหว่างจิตกับผู้เสียงกลิ่นรสระหว่างจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงเห็นไปจกากษ์ภาในใจแล้วเหลือแต่ความไม่สุบล้วนลวความไม่สืบล้วนล้วนนี้เหมือนอะไรอเหมือนรูปเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นเหมือนรสเหมือนเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนธาตุเหมือนขันนี่ไหมไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็นอันเดียวกันนา่น เหตุที่พาเกิดเจ็บเจ็บตายเพราะอะไรมันก็รู้ได้ชัดเพราะวิชาปัจจญาสร้างข้ารามันแทรกมันฝังอยู่ภายในจิตนี่ได้ถูกทำลายแตกกระจายระจากใจแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความมืดสนวนปัญหาของการเกิดตายดับสนิทไม่มีเหลือแล้วภายในใจเหลือตั้งแต่ดิบากของกิเลสผลของกิเลสที่เป็นธาตุเป็นขันธ์อยู่ในปัจจุบัน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 ตัวสำคัญซึ่งอยู่ภายนจิตได้ถูกทําลายไปหมดแล้วกิเลสจะมาจากไหนเหาะลอยมาจากไหนพี่เข้ามาแทรกขีดใจได้อีกมันไม่มีกิเลสตัวใดนอกจากกิเลสที่มันเป็นสนิมเกิดอยู่กับเหล็กแล้กัดเหล็กให้สึกกร่อนไปจนกระทั่งเหล็กเสียหายไปตางเท่า น, นั้นกิเลสตัวพวกนี้แต่ตัวนี้เท่านั้นเพื่อ ว, วิชาปฏิญานี้เมื <c> ่อ <oughs> ทําลายลงไปะจนแหลกละเอียดแล้วทําไมจะไม่รู้ ธรรมะเป็นแบบเดียวกันเป็นธรรมแท่งเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างไัยทรงสอนอย่างนั้นและประกาศจังหวนมาได้สองพันห้ารอกว่าปีนี้แล้วในพระพุทธเจ้าอปัจจุบันของเราว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองในความจริงทั้งหลายเนี่ยปัจจตังเบรดิโตโบวินยูหีผู้รู้จะรู้โดยจำเพาะตนเท่านั้นผู้รู้ก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้จำเพาะตนนี่แหละการทําลายวัตจักร วัตจิตทำลายที่ตรงนี้เมื่อขาดออกไปจากใจโดยสิ้นเช็งแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงโลกจะว่ามีก็ว่ามีไม่ว่าก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตหมดปัญหาไปแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไมไ่เป็นปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้วคือไม่เป็นพเรื่องติดต่อพักพันกันเหมือยอย่างแต่ก่อนมาจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆรู้อยู่ชัดๆบริสุทธิ์แต่นั้น ศูนไปไหนถ้าศูนมาบริสุทธิ์ได้อย่างไงนัน่นเห็นชัดๆนี่เมื่อกิเลส จ, จอมหลอกลวงมันหมดไปแล้วนล้วก็สนุกรู้สนุกเห็น่ะสิเนี่ยรู้ประจักษ์ที่นี่ไม่มีอะไรจะมามัวมาหมองมาปิดมากัน้นให้เป็นรุ่มรดอนดหรือจนกระทั่งถึงมืดมิดปิดตาเหมือนแต่ก่อนปเปิดออกหมดแล้เมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสคือความมืดบอดตัวกิเลสแท้ๆมันปิด หัวใจนีไว้ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมันก็ปิดไว้หมดไม่เห็นนี่พอยิ่เรีนที่ทลายไปแล้วสิ่งที่ควรรู้มันต้องรู้สิ่งที่ควรเห็นก็ต้องเห็นเป็นมิสัยของใจล้วนๆแล้วต้องรู้ไปโดยลาดับลาดาเนี่ยโลกมีถูกเมื่อทำลายกำแพงอันหนาแน่นออกจากใจแล้วตาใจสว่างประจ่า์แจ้งมองทะลุ ป, ปู่วงไป ม, ป ม, ปม ผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราอย่านําความขี้เกียจกี่ข้านอ่อนแอทอแท้เหลวไหลอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาบีบคัน้นหัวใจจะไปแม่รอดนะักปฏิบัติให้เล็งถึงพุทธังสนังกฉามีสมบพุทธังสนังกรฉามีไม่ใช่ล้างมือเปิบทำมังสนังกรฉามีไม่ได้เกิดขึ้นจากการล้างมือเปิบสังฆังสนังกฉามิท่านแทบตายด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาล้างมือเปิก ม, มันก็เก่งกว่าครูไปแล้วที่ถ้าเก่งกว่าครูแล้วก็ต้องเร็วยงโดยลำดับงดางนาให้เก่งในทางความภาคความเพียรตามเดินตามครูนั่นแหละอกวรตุงใส่และไอ้โลกกระถาดนี่นี่ต่เกิดกับตายเนี่เกิดกับตายหาห า, หามของพุกไปพบน้อยพบใหญ่พบมนุษย์เรายังดียังเป็นอิสระเสรีแม้กตพบของสัตว์เรามองดูแล้วมันน่าอยู่น่าอาศัยที่ไหน มีแต่บีบบีดสีไฟกับฉีกกันกินดูซิตัวไหนอำนาจมากไล่กัดไล่ฉีกกั น, กกนสัตว์กับสัตว์กินสัตว์ตทำลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เรายัางดีแล้วที่นี้พบละเอียดยิ่งไปกว่านั้นซึ่งเป็นของมีอยู่จำหลักความกินจะเป็นยังไงมันผิดอะไรกับมหันตะทุกอยู่ในเรือนจํามันไม่ได้ผิดอะไรการหัวเราะก็เหมือนนักโทษหัวเราะในเรือนจำนั่นเอง ถึงจะขับลําทําเพลงก็นักโทษขับลําทําเพลงในดือนจํามันเอาดีกรีมาจากไหนเอาความสุขความสบายดื่นเดึงมาจากไหนอา่าอ๋อเนี่ยขับกล่อมอยู่กับวิมุตตินี่ทําวิมุตต์ได้กล่อมลงสุที่เป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างกับกิเลสมันเพลงกล่อมของกิเลสกับเพลงกล่อมของวิมุตติธรรมต่างกันยังไงเอาให้มันเห็นที่นักปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้น ที่จะเห็นความจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้นอกนั้นไม่มีทางเอาให้กินให้จังคุณค่าราคาของเรานี่มากมีบุญวาสนาแล้วยิงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วยังได้มาบวชเป็นพระได้ประพฤติปฏิบัติเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิกําลังความสามารถ่าให้แค่ค่าจากธรรมที่กล่าวนี้เอาให้เป็น มหาสมบัติครองหัวใจเราเราครองมหาสมบัตินั้นจะเป็นที่ตายใจจริงเรื่องอดีตอนาคตสถานที่อะไรต่างๆตัดหมดคาดสะบั้นไปหมดเพราะสิ่งวันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของโลกโลกธรรมชาติมันไม่ใช่โลกท่านจึงเรียกว่าโลกจระชามแปลว่าทำเหนือโลกไม่เหมือนโลกจึงเรียกว่าเหนือโลกจะ อ, อะไรไปเหมือนการเรื่องทำก่อ ยังม่สมควรควายุติเอน